ตรีตัวน้อยน้อยนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้ไม่นานเรื่องราวของพี่น้องสี่คนเม็กโจเบธและเอมี่พวกเธออยู่ในหมู่บ้านเล็กๆบ้านเล็กๆหลังหนึ่งพ่อแม่ของพวกเธอยากจนแต่พี่น้องก็ไม่เคยอยากได้อะไรที่พ่อแม่หาให้ไม่ได้เม็กอายุน้อยสวยงามฉลาดมากโจเหมือนทอมบอย และเธออยากจะเป็นนักเขียนเบธเป็นคนขี้อายใจดีอ่อนโยนเอมี่เป็นน้องสาวคนเล็กเธอเป็นคนที่น่ารักที่สุดทุกคนมีความสัมพันธ์แน่นแฟนชาวบ้านทุกคนชอบพฤติกรรมของพวกเธอมากพวกเธอถูกเรียกว่าสตรี ต, ตัวน้อย วันหนึ่งมีทหารมาที่บ้านของพวกเธอเพื่อพาพ่อของพวกเธอไปกองทัพเพราะว่าตอนนั้นมีสงครามกลางเมืองเกิดขึ้นผมมีจดหมายมาให้ทางกองทัพได้ส่งจดหมายเรียกตัวคุณไปสู้ต่อต้านสงครามกลางเมืองเตรียมตัวได้หรือครับครอบครัวเศร้ามากพ่อคะอย่าไปเลยนะคะไม่พ่อต้องไป มันเป็นเรื่องน่าภาคภูมิใจที่ได้ทําเพื่อประเทศหนูรู้ว่าพ่อจะกลับมาพ่อจะกลับมาก่อนหน้าฝนเลิกร้องได้แล้วเม็กดูแลน้องๆด้วยข้าพ่อพ่อของพวกเธอออกไปรับใช้ชาติหลังจากนั้นไม่นานครอบครัวก็เริ่มลาบากเพราะพวกเธอมีเงินไม่พอซื้อของใช้เข้าบ้านเม็กแม่พยายามจะทำงานหนักเพื่อที่จะได้เงิน แต่มันยากมากไม่ต้องห่วงค่ะแม่อีกไม่กี่วันหรอกคะ่ะอีกไม่กี่วันพ่อก็จะกลับมาเราจะสบายขึ้นแต่เราต้องสู้จนถึงตอนไหนแม่ไม่เข้าใจเลยทำไมคนต้องทาสงครามโอ้แม่วันหนึ่งพวกเธอได้รับจดหมายจากกองทัพกล่าวว่าอะไรเหรอแม่ทางกองทัพ บ, บอกเระว่าคุณพ่อบาดเจ็บหนักมากจากการทำสงคราม พวกเขาเอาพ่อเข้าโรงพยาบาลแล้วและต้องการคนให้ไปดูแลคุณพ่อโอ้โอแม่ต้องไปแต่แม่จะไปได้ยังไงแม่ต้องใช้เงินเดินทางแม่จะหาได้ยังไงไม่ต้องห่วงแม่แม่เตรียมตัวหนูจะหาเงินให้เองเจโ อ, ออกจากบ้านไปตอนเธอกลับมาเธอเอาเงินกลับมาด้วยนี่ค่ะแม่หวังว่ามันจะพอนะคะ ไปเอาเงินมาจากไหนกันเนี่ยหนูไปตัดผมขายคะ่ะได้เงินมาแล้วอ้อโจลูกเสียผมสวยๆไปไม่เป็นไรค่ะแม่แต่โจเรามีทางเลือกอื่นนะทำไมต้องตัดผมไม่ต้องห่วงผมมันงอกใหม่ได้นะฮอ้อโจนอนไม่หลับเธอนอนเงียบๆร้องไห้บนเตียงตอนดึกเม็ดเอามือไปปลอบโจ โจเลยตื่นมาดูว่าคือใครตอนเธอเห็นเม็กนั่งข้างๆเธอก็กอดเม็กไม่ต้องห่วงอีกไม่นานอะไรๆจะดีขึ้นหลังจากที่แม่ออกไปดูแลพ่อพี่น้องก็ดูแลบ้านพวกเธอทำทุกอย่างในบ้านทำความสะอาดทำอาหารและสนุกด้วยกันวันหนึ่งเบสก็ป่วย เอไข้สูงและตัวสั่นเทาพี่น้องเลยดูแลเบตแต่เบสอาการไม่ดีขึ้นทุกคนเริ่มเป็นห่วงโทอหาหมอเธอแล้วเงินละ่ะเราจะเอาเงินจากไหนจ่ายหมอเราไม่มีเงินเลยนะหนูมีเงินเก็บไว้นะมันไม่พอหรอกช่างเะ น, นะเดี๋ยวหนูก็หายฉันไปหาหมอเองค่าใช้จ่ายละ่ะ ไว้คิดถึงทีหลังเบสสำคัญกว่าวันนั้นหิมะตกโจก็ยังวิ่งไปที่บ้านของหมอเธอไปอธิบายให้หมอฟังหมอก็ยอมมาที่บ้านหมอตรวจแล้วเธอเป็นไข้ทั่วไปไม่ต้องหวงเธอจะหายดีเออดีค่ะหมอคะแต่แต่อะไรเหรอท่านทีท่ที่จริงแล้ว พูดมาเลยจะลังเลทําไมท่านคะเราไม่มีเงินจ่ายค่ะขอโทษนะคะรักษาเบสให้เราได้ไหมงั้นเหรอไม่ต้องห่วงรอกหมอรักษาเธอได้มันเป็นหน้าที่ของหมอค่าใช้จ่ายค่อยให้พ่อแม่เธอจ่ายให้ตอนพวกเขากลับมาก็แล้วกันขอบคุ ณ, คณมากนะคะหมอหมอให้ยากับเบสพี่น้องดูแลเบสเป็นอย่างดี เบสอาการดีขึ้นหน่อยและคิดถึงแม่ขึ้นมามาเนือนืน้นคิดถึงแม่แม่อยู่ไหนกลับบ้านนะคะเราต้องการแม่กลับบ้านนะคะอย่าร้องสิเบสอีกไม่นานแม่ก็กลับมาหายดีก่อนเอนะเราจะเขียนจดหมายหาแม่ใช่ๆช่แม่ียบกลับบ้านแน่นอนตอนนั้นแม่พวกเธอก็กลับมา พวกเธอดีใจมากโอแม่แม่คะแม่โอ้ลูกๆเป็นยังไงบ้างดีใจที่ได้เจอนะเบส ด, ดีใจมากที่ได้เห็นแม่ไม่ต้องห่วงแล้วนะเดี๋ยวแม่จะดูแลเธอเองหลังจากนั้นแม่ก็ดูแลเบสอย่างดีเบสก็อาการดีขึ้นในอีกไม่กี่วัน เมื่อหน้าหนาวมาถึงเม็กก็ห่วงเรื่องครอบครัวแม่คะพ่อจะกลับบ้านตอนไหนพ่อป่วยหนักมากขาพ่อก็หักด้วยแต่ตอนนี้พ้นขีดอันตรายแล้วอีกไม่นานก็กลับมาเราคิดถึงพ่อมากแม่รู้ขอให้ใครอย่าลำบากเหมือนเราเลยนะอย่าพูดแบบนั้นนะแม่มันเป็นบทเรียนเราที่ดี มันสอนเราให้เราได้ประสบความสมเร็จใช่เมกไม่กี่วันหลังจากนั้นมันเป็นวันก่อนวันคริสต์มาสแม่กับเมกก็หาต้นคริสต์มาสมาให้ที่บ้านได้แต่เอมมี่อยากจะได้ของขวัญปีนี้หนูอยากได้ชุดใหม่จากซานต้าเราอยากจะเจอเจ้าชายในฝันหนูอยากได้เป็นเนื้อใหญ่ๆ เมกอยากได้อะไรล่ะหนูอยากให้เราได้ฉลองคริสต์มาสด้วยกันนะค ะ, ะพูดได้ดีนะวันคริสต์มาสพวกเธอต้องเศร้าเพราะคําขอของพวกเธอไม่เป็นจริงพวกเธอผิดหวังแต่ไม่บ่นอะไรวันนั้นพวกเธอไม่มีเงินพอซื้ออาหารเช้าตอนนั้นพวกเธอได้ยินเสียงเคาะประตู นั่นใครน่ะใครเหรอใครน่ะหนูไปดูเองคะ่ะไม่เอมี่เดี๋ยว ป, ประตูเปิดออกมาและเธอก็เห็นพ่อกลับมาที่บ้านทุกคนดีใจมากกระโดดโลดเต้นวิ่งไปหาเขาพ่อคะ่ะโอ้ลูกพ่อพ่อคิดถึงลูกๆมากนี่คือของขวัญคริสต์มาสที่ดีที่สุดที่เราเคยได้ ขอบคุณนะซานตาเพราะพ่อของพวกเขากลับมาครอบครัวก็มีความสุขมากในวันคริสต์มาส